เวลาที่เราไม่สบายใจกันสิ่งที่จะทำให้ความไม่สบายใจของเราหายไปก็คือการทำใจให้สงบพอเวลาใจสงบแล้วใจจะสบายความไม่สบายเกิดจากความไม่สงบของใจ ใจคิดปรุงแต่งพุ่งสร้างวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆทำให้ใจเครียดใจวุ่นวายต้องแก้ด้วยการทำใจให้สงบให้ได้วิธีทำใจให้สงบก็ต้องมีสติ การจะมีสติก็ต้องมีกรรมฐานคืออารมณ์ผูกใจกรรมฐานนี้มีอยู่40ชนิดด้วยกันเหมือนกับอาหารที่มีหลากหลายชนิดด้วยกันแต่เวลาเรารับประทานอาหารเราก็เลือกอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งก็พอเพราะว่ากิน หลายชนิดมันก็ได้ผลเท่ากันเวลากินอาหารเราก็เลือกกินบางทีก็เลือกอย่างเดียวเอาเข้าวผัดจานหนึ่งเอาก้อยเตียวชามหนึ่งกรรมฐานก็เป็นอาหารของใจเป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจอิ่มใจสุขใจสบายกรรมฐานนี่มีอยู่สี่สิบ จะลองไล่ดูคงจำไม่ได้หมดมีอนุสติอยู่สิบชนิดอนุสติคืออารมณ์ที่เราเลลึกถึงเช่นพุทธานุสติให้เราเร่าลึกถึงพระพุทธเจ้าเราเล่าึกถึงพระพุทธคุณหรือชื่อของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธคุณเราก็สวนอิติปิโส ถ้าชื่อของพระพุทธเจ้าเราก็พุทโธเราเลิกถึงพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติก็ให้เราเลิกถึงพระธรรมคุณสวาขาโตภะกวาตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเนี่ยสวดไปถ้าเราเลึกถึงชื่อ ของพระธรรมก็ธทมโมธทำโมไปสังคานุสติน่เลิกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระคุณพร ะ, ะคุณของพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน เรียกว่าสังขานุสติเราก็มีเทวานุสติถ้าเราเชื่อเท พ, พเจ้าเราเคารพเท พ, พเจ้าองค์ใดเราก็เลรรึกถึงเท พ, พเจ้าองค์นั้น น, นึกถึงพระศิวะนึกถึงพระพิกเนต น, นึกถึงพระเทพรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ การระลึลกถึงบุคคลเหล่านี้จะทำให้จิตใจสงบเย็นสบายเทวานุสติแล้วก็มีอาณาปานาสติอันนี้ก็ให้ระลึลกถึงลมหายใจเข้าออกระลึลกที่ปลายจมูกตรงที่ลมเข้าออกลมเข้า ก็เรียกว่าอาณาหรือหรือลมออกเรียกว่าอาณาจำไม่ได้ว่าอันไหนเข้าอันไหนออกอันหนึ่งเข้าอาณาเข้าปานะปานาก็ออกอาณาปานสตินให้มีสติและเลืกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างอย่างเดียวไม่ต้องพุทธเข้าโทออกก็ได้ไม่ต้องใช้พุทธโทมากากับด้วยก็ได้ แต่ถ้าจะใช้ก็ไม่ห้ามเหมือนใช้เชือกสองเส้นถ้าอานาปนสติก็เชือกเส้นเดียวจะเชือกเส้นเดียวเอาจิตไม่อยู่จิตเป็นเหมือนลิงเด่นบางทีต้องเอาสองเส้นเอาอนาปนสติมาบวกกับพุทธานุสติพุทหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ เรียกว่าอาณาปณสติกายะกะตาสติกา้มีสติอยู่ที่ร่างกายให้ดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังอยู่ในอิริยาบถไหนกำลังยืนก็ให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังยืนกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินเดินก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวายกแขนขึ้นยกมือขึ้นหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรให้เฝ้าดูอยู่กับการกระทำของร่างกาย ừ, <laughs> เพื่อให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ừ. การมีอนุสติเหล่านี้มีไว้เพื่อดึงใจ ให้ออกจากความคิดเน้เราทำอะไรให้มีสติดูกับการเคลื่อนไหวของร่างกายใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเราคอยดูอยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวอันนี้เรียกว่ากัยากตาสติแล้วก็มีมรณะนุสสติให้เราเลิกถึงความตาย เ้าเรีกว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าคิดถึงความตายแล้วจิตก็จะนิ่งจิตก็ไม่รู้จะไปทำอะไรทำแล้วเดี๋ยวก็ตายทำไปให้มันเสียเวลาให้เหนื่อยไปทำไมได้เงินมามากน้อยเพียงไรตายไปก็ให้คนอื่นเขาไปหมด ไปหาเงินไหมคนอื่นใช้ทำไม <c oughs> ปัญหาคือเราไม่น่าลึกถึงความตายกันเราคิดว่าเราจะอยู่ยาวมีเวลาใช้เงินใช้ทองไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ไม่แน่ถึงเวลามันจะตายขึ้นมาไม่มีใครรู้ <c oughs> ตายได้ทุกเวลาตายตายได้ทุกอายุ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่านี่ทุกคนมีสิทธิ์ตายเท่ากันหมด มีความเสมอภาคคือความตายเรามักจะไปมองความไม่เสมอภาคกันว่าเขารวยกับเราเขาเก่งกว่าเราเขาหล่อกว่าเราเขาสวยกว่าเราเลยทำให้เรารู้สึกน้อย อ, อกน้อยใจแต่พอมาเราเลิกถึงความตายแล้วนะเรารู้ว่าเหมือนกันเท่ากันใครจะรวยขนาดไหนก็ตายเหมือนกัน จนขนาดไหนก็ตายเหมือนกันสวยหรือหล่อขนาดไหนก็ตายเหมือนกันอายุมากน้อยก็ตายเหมือนกันมีตายได้ทุกอายุเนี่ยถ้าเราเลิกถึงความตายแล้วจะทําให้เรามองโลกไปอีกมุมหนึ่งมองโลกไปในมุมที่ว่าเหมือนกันทุกคนเกิดมาแล้วก็มีความตายรออยู่ด้วยกันทุกคน ไม่รู้จะต้องไปเกียดชังกันทาไมไม่รู้จะต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันทาไมอันนี้ก็จะทำให้ใจสงบทําให้ใจปรงอันนี้หวาดกลัวเรื่องโรคหวัดหรอก็ตายเหมือนกันมีโรคหวัดหรือไม่มีโรคหวัดก็ตายเหมือนกันชา้าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ก็ถึงเวลานั้นมันก็ เท่ากันหมดทุกคน น, นี้เรียกว่ามานุสติเวลาที่จิตมันเ็าเรียกอะไรขนองคึกขะนองกล้าหาญไม่กลัวอะไรนี่พราะมคิถึงความตายนี่หายหมดเลยความกล้าหาญความอวดเก่งอวดดีทั้งหลายพอมาคิดถึงความตายแค่นั้นเมันจะลด อัตตาตัวตนลงได้เยอะจะลดความบ้าระห่ำได้ลงไปได้เยอะจะทำให้เป็นคนสำรวมเป็นคนสงบนี่ก็เรียกว่าอนุสติเท่าที่จำได้มีอีกหลาย มีทั้งหมดอยู่สิบชนิดด้วยกันในในกลุ่มของอนุสติแล้วกลุ่มอีกที่สองกลุ่มที่สองนี้ก็มีกระสินสิบกระสินคือการเพ่งดูสีชนิดต่างๆสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวาวิธีใช้กระสินก็คือ ให้เราดูสีที่เราต้องการจะเพ่งเช่นสีเขียวก็มองไปที่ใบไม้แลราพยายามจาสีเขียวไว้ในใจต่อไปก็ให้หลับตาเราก็ให้นึกถึงสีเขียวที่เราเห็นตอนที่เราลืมตาให้มีสีเขียวมันโผล่ขึ้นมาในจอของใจเรา เวลาเราหลับตานี่เรากำลังไปดูจอใจเนี่ยพอปิดตาเราก็จะเห็นจอของใจพอเรานึกถึงภาพอะไรมันก็จะโผล่ขึ้นมาที่จอเห็นกระสินท่านก็มีให้เพ่งตาสีชนิดต่างๆแล้วก็มีสีสีสีเขียวสีแดงสีขาว สีเหลืองชอบสีไหนก็เลือกเอาพวกชอบแดงก็เพ่งสีแดงพวกชอบเหลืองก็เพ่งสีเหลืองไปแล้วพยายามให้หลับตาแล้วก็นึกถึงสีที่ต้องการจะเพ่งให้มันโผล่ขึ้นมาจนกระทั่งมันเต็มไปในจอหลับตานี่เห็นเป็นแดงไปหมดหรือเป็นเหลืองไปหมดเป็นเขียวไปหมดอันนี้ก็เรียกว่ากรสิน การเพ่งสีมันก็ทำให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้มันก็เป็นอบายดึงจิตให้หยุดคิดเป้าหมายของการเจริญกรรมฐานนี้เป้าหมายก็คือให้หยุดคิดปรุงแต่งเพราะเราต้องการความสงบเวลาจิตหยุดหยุดคิดปรุงแต่งแล้วใจจะเย็นจะสบายเหมือนได้เข้าไปในห้องปรับอากาศอาตอนนี้อากาศร้อนไหม เวลาเข้าไปในห้องปรับอากาศนี่เป็นยังไงดีกว่ากันไหมเข้าแล้วก็ไม่อยากจะออก น, ะนั่นแหละใจของเราก็มีห้องปรับอากาศใจเราออกมาทางตาหูจมูกลิ้วกายออกมากับความคิดปรุงแต่งเห็นรูปเสียงกลิ่นแล้วราก็ปรุงแต่งไปแล้วแต่จะปรุงแต่งไปทางไหนบางทีก็ปรุงแต่งไปทาง บางทีก็ปรุงแต่งไปทางทุกข์เนี่ยพอปุงแต่งไปทางทุกข์ก็ร้อนขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำให้มันร้อนหายร้อนได้ยังไงยิ่งคิดยิ่งร้อนใหญ่ถ้าไม่ถ้าได้มาศึกษาก็จะรู้วิธีว่าต้องกลับเข้าไปในห้องปรับอากาศต้องหยุดคิดปุงแต่งต้องเปิดแอร์เปิดกรรมฐาน เอาพุโทโธเปิดพุดโทโธก็ได้เปิดธรรมโมก็ได้เปิดสังโคก็ได้อบทบทสวดมนต์ก็ได้เนี่ยเยตอนนี้จะมีวัดชวนให้สวดมนต์กันล้ทีเนี้ยไม่ได้สวดเพื่อไปรักษาโรคหวัดนะโรกหวั ด, วดถ้ามันรักษาได้จากการสวดมนต์ก็สวดกันมาต้องนานแล้วอันนี้มันรักษาโรคใจโรคของความเครียดโรคของความหวาดกลัว โลกของความวิตกกังวลต่างๆสวดไปเถิดถ้าที่ไหนเขาชวนให้สวดก็สวดไปสวดบทไหนก็ได้เหมือนกันอย่างที่บอกเป็นธรรมานุสติเหมือนกันการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าบทสวดมนตต่างๆก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองเราสวดบทมงคลสูตรนัตนาสูตรสูตรอะไรต่างๆ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถึโพชงสูตรเป็นคำสอนไม่ได้สูตรเพื่อให้ร่างกายหายสูตรเพื่อให้ใจเย็นใจสงบใจหายจากความทุกข์เนี่ยมีในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่งไปเยี่ยมพระท่านเป็นอาลายด้วยซ้าไปแต่ท่านเจ็บ่า้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้พิจารณาโพชง ให้เจริญสติให้ใช้ปัญญาแยกแยะ ก, กายออกจากใจพ อ, อท่านสอนเสร็จพระที่ฟังก็ปฏิบัติตามอาการของร่างกายก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมอยู่แต่ใจนี่มีพลังขึ้นมาสามารถสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาเดินเหมือนกับร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ พอจิตบางทีมันซึมมันไม่มีธรรมะมาปกเหมือนต้นไม้ที่มันไม่มีน้ำเนีสังเกต ด, ดูไม้ต้นไม้เวลาที่เราไม่ได้ลดน้ํามันจะรู้สึกแห้งแห้งเหี่ยวพอเราฉีดน้ําให้มันลดน้ําให้มันพักพักหนึ่งนี้มันขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นมาเอจิตใจของเราก็ถ้าอยากให้มันมีชีวิตชีวา เราก็ต้องฉีดธรรมะฉีดกรรมฐานเข้าไปฉีดสติหรือฉีดปัญญาเข้าไปพอใจได้สติได้ปัญญาตอนที่มันความซบเซาวความไม่มีชีวิตชีวามันก็จะแป่งปังขึ้นมานี่คือเรื่องของการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญกรรมฐานเจริญสติ เป็นการฝึกสมาธิในขั้นต้ น, นถ้ายังนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้จะริญอานาปณะสติไม่ได้จะิญพุทธานุสติไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดไม่ได้เพราะไม่เคยสวดก็อาศายัยพราฟังผ้าสวดไปแทนเหมือนกับการฟังธรรมก็ได้ อันนี้ฟังทำไปใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องโรคหวัดโรคอะไรต่างๆ <c oughs> เพราะต้องมาตั้งใจฟังกันก็เลยลืมเรื่องโรคหวัด <c oughs> ลยความเครียดความกลัวความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคหวัดมันก็ระงับไปชั่วคราว <c oughs> เราต้องมีกรรมฐานนี่กรรมฐานอนุสติเกสินสิบมีอยู่ซี่ ที่เป็นสีแล้วก็มีสีที่เป็นธาตุธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็เราเลอกถึงธาตุชนิดต่างๆในใจอันนี้เท่าที่จำได้ในกลุ่มกสิณกลุ่มที่สามนี่เรียกว่าอาสุภสิกคือพิจารณาซากศพสิบชนิดเวลาเห็นซากศพแล้วจิตมันจะ สลดจิตมันจะหายคึกขนองสมัยก่อนเขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้าไม่มีการฝังหรือเผาบางทีไม่มีผ้าก็ไม่หอม่อเอาศพไปทิ้งสดๆอนี <Yeah. S 2> แล้วแต่ฐานะของคนคนบางคนไม่มีฐานะที่จะซื้อผ้ามาห่อศพก็เอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้า พระต้องการเจริญกรรมาฐานก็ไปดูศพชนิดต่างๆในป่าชา้ามีศพตายใหม่ศพตายเก่าศพขึ้นออ่ดศพเขียวคล้ำศพขาดเป็นชิ้นเป็นอันแขนไปทางขาไปทางศพมีน้องมาชัยมีแมลงมาเกาะกินศพแห้งกรอบ หนังหุ้มกระดูกหนังหุ้มคองกระดูกอันนี้เป็นอสุภาสิบมีสิบวิศอยู่สิบชนิดด้วยกันอันนี้เป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสติได้สติคือจิตจะไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงโลกวายก็อย่างมากมันก็แค่ตายแลอวะ เดี๋ยวมันก็ต้องมาตายมีโรคหวัดหรือไม่มีโรคหวัดเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องกลายเป็นซากศพเนีแล้วก็เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายร่างกายไม่เที่ยงหนอะมีเกิดแล้วก็มีดับเป็นธรรมดาก็จะปล่อยวางยึดไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายพอปล่อยวางได้ก็ไม่หวั่นไหว กับความเป็นความตายของร่างกายเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายมันก็เพียงเป็นแค่อาการสามสิบสองที่ในที่สุดก็จะต้องผุพังไปกับคืนสู่ธาตุเดิมคือกับคืนสู่ดินน้ำนมไฟไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาในร่างกายของทุกคน ร่างกายเป็นเพียงตุ๊กตาของจิตจิตแต่ละคนนี้ได้ตุ๊กตามาคันออแล้วก็ไปสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นที่ดาอความจริงเป็นแค่ตุ๊กตาแต่เราเอาป้ายไปติดไว้ว่านีนตุ๊กตาตัวนี้ชื่อพ่อตุ๊กตาตัวนี้ชื่อแม่ตุ๊กตาตัวนี้ชื่อลูกเอ แล้วก็มาเล่นกับมันคนเล่นก็คือจิตผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่ที่จะมาที่นี่ได้ก็จิตจะเป็นคนสั่งวันนี้จะพาตุ๊กตามาวัดท่าหน่อยพาร่างกายมาวัดเพราะอาศาัยตุ๊กตาทำให้จิตได้เห็นรูปได้ตุ๊กตานี่มันวิเศษดีกว่าตุ๊กตาที่ซื้อตามร้าน ตุกตาตามร้านนี้มันมองเห็นภาพไม่ได้มันรับฟังเสียงไม่ได้แต่ตุกตาที่เราได้จากพ่อแม่ของเรานี่มันดูภา พ, ดภาพได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ริมรสของอาหารต่างๆได้เราก็เลยใช้ในั่งกายอันนี้แหละเป็นตัวพาเราไปดูภาพไปฟังเสียงไป ด, ดมกลิ่นไปริมรส ไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นหนาวร้อนสัมผัสกับสิ่งที่มนกระทบกับร่างกายนุ่มหรือแข็งอันนี้ทําให้จิตใจเรามีชีวิตชีวาสังเกต ด, ดูถ้าจิตใจเราไม่ถ้าร่างกายอยู่บ้านนี้มันจะรู้สึกไม่ค่อยมีชีวิตชีวาพอได้ออกนอกบ้านแล้วมันเหมือนไก่เอน มีชีวิตทีว า, าได้เห็นภาพแปลกๆใหม่ๆอยู่บ้านเห็นแต่ภาพเก่าๆจำเจซ้ำซากได้ยินเสียงแปลกๆใหม่ๆได้ริมรถอาหารแปลกๆใหม่ๆได้ดื่มได้รับประทานได้ดูอะไรได้ฟังอันนี้แหละเราจึงมามีร่างกายกันเพราะใจของเราถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันจะรู้สึก ขาดขาดอะไรไปเพราะใจไม่มีความสุขในตัวเองไม่รู้ความจริงว่าตัวของใจนี้มีของวิเศษอยู่ในใจคือความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่ไม่มีใครรู้กันก็เลยต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกัน ไปมีร่างกายเพื่อจะได้ดูดูภาพต่างๆมีหูจะได้ฟังเสียงต่างๆมีจมูกจะได้ดมกลิ่นต่างๆมีลิ้นจะได้ลิ้มรสรสชนิดต่างๆมีร่างกายเพื่อจะได้สัมผัสกับสัมผัสชนิดต่างๆพอได้สัมผัสแล้วก็เกิดความสุขความสดชื่นเบิก บ, บานขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขชั่วคราว พรว่าไม่นานเดี๋ยวก็เกิดความจําเจขึ้นมาก็จะเกิดความเบื่อพอเกิดความเบื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถึงจะถึงจะเกิดความสดชื่นเบิกบานใหม่เห็นไหมดูภาพยนตร์เรื่องเก่าสักสองสามรอบนี้ก็เบื่อแล้วให้ดูรอบที่สี่ห้านี้ไม่ดูแล้วต้องดูเรื่องใหม่เอดูละครเรื่องใหม่เออ มันถึงจะเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้นมาถึงจะเกิดความสดชื่นเบิกบานขึ้นมา น, นี่คือการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายที่เจ็ตติดอยู่และต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆจึงรักและหวงร่างกายมาก ไม่ต้องการให้ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่สามารถไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็จะไม่มีความสุขจะไม่มีชีวิตชีวาจะมีแต่ความซึมเศร้าเหมือนตอนที่อยู่ในบ้านนี่จึงต้องรักต้องหวงร่างกายมากพอมีข่าวอะไรมากระทบเกี่ยวกับความ ความเป็นความตายของร่างกายทั้นั้นก็เลยเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเฮ้ยเราจะตายหรือเปล่าเราจะเจ็บหรือเปลาร่างกายเราจะเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวเราดูอะไรไม่ได้นะออมันก็เลยทําให้เครียด เ, ออเพราะว่าไม่รู้จะทาไงให้ใจมีความสุขถ้าไม่มีร่างกายถ้าร่างกายไม่สามารถพาใจไปหาความสุขชนิดต่างๆได้ ใจก็จะซึมเศร้าจะเหงาจะว้าเวขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าเรามีของดีอยู่ในใจของเราเองเรามีความสงบที่จะผลิตความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะชนิดต่างๆ เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เองพอเราได้เจอกับพระพุทธศาสนาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะตั้งได้ยินนัตสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนียวกว่าความสงบไม่มีเอความสงบนี่อยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ข้างนอกความสงบข้างนอกไม่ได้ทําให้ใจสงบ ไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขอลองไปอยู่คนเดียวที่สงบสิใจวุ่นวายขึ้นมาทันทีเพราอใจยังไม่สงบแต่ถ้าใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนใจก็มีความสุขอยู่ที่ไม่สงบก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อนอยู่ที่สงบก็ไม่เดือดไม่มีปัญหา อ, อันนี้แหละไม่ช้าก็เร็วถ้ามาเป็นชาวพุทธแล้วเราจะได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ ว่าเรามีของดีอยู่ในตัวของเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเพราะร่างกายมันมีปัญหาเยอะมันมีภัยเยอะภัยที่จะมาคุกคามร่างกายนี้มีเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ความหิวโหวยความอดอยากขาดแคลนของปัจจัยสี่ก็เป็นภัยอย่างหนึง่ง พออดอยากขาดแคลนเรื่องปัจจัยสีนี่ก็เดือดร้อนกันเลยแล้วก็มีภัยทางธรรมชาติภัยจากภัยร้อนอากาศร้อนภัยจากอากาศหนาวเย็นภัยจากน้าท่วมภัยจากพายุภัยจากไฟไหม้มีแต่ภัยรอบตัวของเราของร่างกายนอกจากนั้นยัง เกิดจากภัยของเพื่อนร่วมโลกกันเองเพื่อนร่วมโลกก็ไม่ได้จะเป็นหวังดีมีเมตตากันทุกคนบางพวกก็เป็นพวกโหดร้ายทารุณพวกที่มุ่งจะคิดทำร้ายผู้อื่นทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์สุขของตนนะการมีร่างกายมันมันจึงมีปัญหามีความทุกข์ตามมาเยอะแยะไปหมด ถึงแม้ว่าจะได้ความสุขบ้างก็เป็นเป็นพักๆไปช่วงไหนที่มีเวลาไปหาความสุขได้แต่ก็ต้องสลับกับความวิตกกังวลหวาดกลัวกับภัยชนิดต่างๆที่จะเข้ามากระทบกับร่างกายตอนนี้เราเล่มวิตกกังวลกับโรคหวัดนะไม่ไ ม, ไม่เคยรู้จักมันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันไม่เคยอยากจะพบมัน แต่มันอยากจะพบเร า, อาทอยังไงไม่เคยไปคิดไปเชิญมันมาแต่มันมันจะมาเองแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ด้วยห้ามได้ก็เนี่ยเอาผ้าปิดจมูกไว้ผ้าปิดปากปิดจมูกไว้ห้ามเข้าเขียนไป้ายไว้หวัดห้ามเข้าเขตดลอดวัดก็ มันก็ยังแทะ ก, ก็ไปได้ผ้ามันก็มีดูมีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปิดปากกินของอีกของที่กินก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคติดอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เ mm. นี่นละคือปัญหาจากการที่เรามาพึ่งร่างกายกัน mm. มาพึ่งร่างกายพาเราไปหาความสุขชนิดต่างๆกัน ถึงแม้จะไม่มีโครคภัยแค้เจ็บไม่มีภัยอะไรต่างๆแขวงค่าปลอดภัยจากทุกภัยทั้งหลายก็ไม่ปลอดภัยจากภัยของร่างกายเองร่างกายมันก็มีระเบิดเวลาติดเอาไว้ในร่างกายเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะระเบิดตูมกันนะพอระเบิดตูมปั๊บระบบหายใจก็หยุดทำงานมันจะไปตัดระบบหายใจมันมีสวิตเหมือนกับตั้งสวิตไว เดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ไปทำให้ระบบหายใจหยุดทำงานพอไม่หายใจวับเทคนี้ร่างกายก็ตายเหมือนกันฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรให้กับร่างกายมากน้อยเพียงไรก็ตามก็หนีไม่พ้นความตายพอร่างกายตายก็ทุกข์กันคนที่ไม่ตายตามก็ทุกข์เสียดายรักคนที่ตาย คนที่ตายก็ทุกข์เพราะไม่อยากตายนี่เป็นพร้อมไปไปหาไปใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจเเพราะใจไม่รู้จักหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนจะมารู้ก็ต่อเมื่อได้มาฟังเทศฟังธรรมออโดยเฉพาะฟังจากสายปฏิบัติธรรมเนี่ย เพราะสายปฏิบัติธรรมนี้จะเน้นเรื่องการสร้างความสุขจากความสงบเป็นหลักถ้าไปฟังจากสายอื่นเขาก็จะเน้นไปทางการทําบุญทําทานก็เป็นการสร้างความสงบให้ใจในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สู้การทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติไม่ได้ เพราะทำบุญทำทานก็ยังต้องใช้ร่างกายต้องใช้เงินทองต้องมีเงินไปทำบุญถึงจะได้มีความสุขจากการทำบุญแต่ถ้าเน้นเรื่องการภาวนาเรื่องการเจริญสติเรื่องเจริญปัญญาไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองแต่ต้องมีเวลา ต้องมีเวลาที่จะมาเจริญสติแลวต้องใช้เวลามากพอสมควรต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เอาแค่วันละสิบห้านาทียี่สิบนาทีอันนี้เป็นเหมือนถ้าลดต้นไม้ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเอาน้ำค้างมาลดต้นไม้ตอนเช้าน้ำค้างก็หยดสองสามหยดให้ต้นไม้ก็ไม่มีวันที่จะเจริญได้มันต้องลดแบบฝนตกเป็นชั่วโมง มันถึงจะมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้นานการอบรมจิตใจให้สงบก็ต้องทำอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนทั่วๆไปที่ไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็จะหมดเวลากับการไปหาเงินหาทอง พราะก่อนที่จะพาร่างกายไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มได้ก็ต้องมีเงินทองก่อนะก็ต้องเอาเวลาไปหาเงินหาทองมาก่อนพอได้เงินทองแล้วถึงจะได้เอาเงินนี้ไปซื้อไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มกันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเจริญกรรมฐานมาทําใจให้สงบได้ ต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในความสงบอยากได้ความสงบจริงๆและยอมเสียสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปยอมลดเลิ ก, เลกหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างพวกที่มาถือศีลแปดนี่เป็นพวกที่ยอมเลิกหาความสุขหยัรูปเสียงกลิ่นรนส พอศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้ทำศีลข้อสามก็ห้ามไม่ให้หาความสุขจากการล่่มหลับนอนกับแฟนห้ามไม่ให้กินอาหารมากเกินไปกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเที่ยงวันก็พอแล้วไม่ต้องกินมื้อเย็นมื้อบ่ายมื้อค่ำต้องสละความสุขทางร่างกายไปแล้วก็ต้องไม่ดูหนังฟังเพลง ไม่ไปเที่ยวตามบาตามผักไม่ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงงานวันเกิดงันแต่งงานวันอะไรต่างๆไม่ไปร้องนําทําเพลงเต้นแร็คเต้นกาไม่เสริมสวยความงามเพราะถ้าออกข้างนอกก็ต้องเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วไม่นอนบนเตียงมโหลาน เตียงโมฮอรานเตียงสาําราญยยงมฮอรานด้วยความสาําราญด้วยความสุขสบายให้นอนบนเตียงธรรมดาหรือนอนกับพื้นเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปนั่นแหละนี่คือหน้าที่ของการมาถือศีลเพื่อที่จะได้มีเวลาเพราะถือศีลแปดแล้วเพราะเสร็จภารกิจเรื่องการเลี้ยงดูร่างกาย พอเที่ยงวันไปแล้วเทีนี้ก็มีเวลาว่างนะมีเวลาว่างที่จะมาเจริญกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งการเจริญกรรมฐานก็เปลี่ยนได้ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็ใช้กายสติกายกตาสติไปดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเช่นตอนเดินจงกรมก็ดูเท้าซ้ายขวาไปเอหรือ ถ้าใช้ให้พุทธานุสติก็ใช้ได้เหมือนกันพุทธานุสตินี้ดีใช้ได้ทุกแห่งทุกหนทุกเวลาทุกกิริยาบทไม่ว่าจะทําอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปเอไม่ต้องมารอหยวนในท่านั่งไม่ต้องมานั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปถึงค่อยเจริญพุทธานุสติได้ถ้าสวดภายในใจนี้สามารถสวดได้ทุกเวลา สวดพุทธโธก็ได้สวดอิติปิโสก็ได้ต้องขยันงานพวกนี้ถ้าไม่บังคับมันมันใจจะไม่ทําใจชอบขยันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอให้มาขยันสวดมันไม่ยอมขยันมันเหมือนกับรถที่สตาร์ทไม่ติดต้องคอยผักมันคอยดันมันต้องคอยสั่งมันพุทโธสิพุทธโธสิอติปิโสสิเอติปิโส อไม่ใช่นั้นก็เฝ้าดูร่างกายสิอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เฝ้าดูว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับการอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันไม่ใช่ร่างกายอาบน้าแต่ใจไปคิดถึงอาหารที่จะกินละอะไรคนละเรื่องละให้อยู่กับร่างกายเรียกว่ากายยกตาสติ เนี่ยผู้ที่จะมาปฏิบัติอย่างนี้ได้ต้องต้องหยุดทำงานหยุดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเบื้องต้นก็อาจจะทำแบบชั่วคราวไปก่อนทำทีละสามวันห้าวันไปฝึกไปก่อนพอทำไปแล้วได้ผลก็อยากจะทำมากขึ้นไปพอนั่งแล้วจิตเริ่มสงบเริ่มมีความสุขนี้ทีนี้ก็จะเห็นคุณประโยชน์ของการมาปฏิบัติเนี่ย ก็จะอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะหาวันลางานมาปฏิบัติให้มากขึ้น เ, เมื่อปฏิบัติทำแล้วก็จะไม่ต้องใช้เงินเหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัตินี่จะมีความสุขทีต้องเสียเป็นหมื่นเป็นแสนเดี๋ยวพอมาปฏิบัตินี้ไม่ต้องเสียเป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีความสุขละเป็นั้นทาใจให้สงบ เมื่อไม่ต้องใช้เงินหมืน่นเงินแสนก็ไม่รู้จะไปทำงานทำไมหรือถ้าทำก็ไม่ต้องทำมากทำพอเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วก็เอามาจ่ายค่ามาทําบุญจ่ายค่าน้าค่าไฟค่านี่ชำระนี่สงอะไรไปเวลามาอยู่วัดช่วยการช่วยการสนับสนุนพื้นที่ของการปฏิบัติก็ต้องมีการช่วยกันทําบุญ ก็ทำไปตามกำลังตามมีตามเกิดก็จะลดการทำงานลงไปได้เยอะแล้วก็ลดการไปเที่ยวไปได้เยอะก็<ม>จะมีเวลามาปฏิบัติได้มากขึ้นไปตามลำดับตอนต้นใหม่ๆก็อาจจะเอาแค่วันเดียวก่อนโดยถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ไปเข้าหลักสูตรตามสถานที่เขาสอนปฏิบัติเนี่ย เดีย๋ยนี้มีหลักสูตรการปฏิบัติเยอะแยะวิธีฝึกสมาธิวิธีเดินจงกรมไปเข้าหลักสูตรสามวันบ้างห้าวันบ้างเอวันหนึ่งบ้างบางแห่งก็มีเช้าเย็นก็ได้ถ้ายังไม่มีเวลามากพอก็เอาแค่วันหนึ่งยังไม่ไปเช้าเย็นกลับก่อนก็ได้ต่อไปกอ็อยากจะอยากจะค้างคืนเพราะอยากจะปฏิบัติให้มันมากขึ้นไปเอง พอเมื่อเริ่มปฏิบัติแนละ้วมันจะได้รับสัมผัสกับความล่มเย็นของความสงบว่าเหมือนกําลังได้เข้าห้องแอร์เข้าห้องปรับอากาศใจที่เคยร้อนวูบวาบก็จะลดน้อยลงไปเบาลงไปความเย็นของใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมาแต่ต้องมีจุดเริ่มต้นเราต้องบังคับนะถ้าไม่บังคับมันไม่เริ่มนะมันไม่ทําอ เบื้องตน้นถ้ายังไม่ไปเข้าคอร์สได้เอาที่บ้านก่อนก็ได้ก่อนนอนก็ลองนั่งสมาธิดูสักสิบห้านาทีดูพุโทโธพุโทโธ ด, ดูลมหรือสวดอิติปิโสไปสวดมนต์ก่อนก็ได้ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปหลายหลายจบพอสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วใจจะรู้สึกเบาเย็นสงบลงไม่ ถึงกับสงบเต็มที่แต่ก็จะทำให้รู้สึกมีความเบา อ, อกเบาใจมีความสบายใจขึ้นมาก็อาจอยากจะนั่งสมาธิต่อก็นั่งดูลมหายใจไปหรือนั่งท่องพุโทโธไปหลับตาไปเดี๋ยวก็นั่งได้นานขึ้นไปเองแล้วพอยิ่งนั่งนานนั่งานั่งมีสติเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะสงบ ถ้าเราได้สัมผัสกับค ว, ความสงบแบบเต็มร้อยสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมันจะมีความยินดีแล้วทีนี้ฉันทะมันจะมาฉันทะคือความยินดีในธรรมการยินดีกับการปฏิบัติธรรมมันจะทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องคอยเข็นจิตใจให้ไปปฏิบัติแล้วถ้าเป็นรถก็คือมั น, น, นรถบรรทุกแล้วเครื่องติดแล้ว เมื่อเครื่องติดแล้วก็ไม่ต้องไปเข็นมันทีนี้มันอยากจะไปของมันเองเหละอยากจะไปอยู่วัดอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากไปเที่ยวนี้เลิกไปแล้วเที่ยวแล้ววุ่นวายเดือดร้อนเครียดกลับมาเงินก็หมดกระเป๋าก็ฟุบเ้วก็ต้องไปทำงานอีกไปดื่นลนอีกสู้ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าไม่เสียเงินมาก เราก็ไม่ต้องกลับมาดิ้นนนหาเงินหาทองกลับมาก็า จ, จะมาหาเงินสําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เงินไปทําบุญหน่อยเท่านั้นก็พอเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วเดี๋ยวก็กลับไปสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างพอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดความชํานาญขึ้นด้วยมันจะคล่องแคล่วว่องไวมันจะพุโทโธเหมือนกับพิมพ์ดี ตอนพิมพ์ดีดใหม่ๆนีต้องคอยจิ้มทีละนิ้วทีละนิ้วพอหัดจิ้มไปเรื่อยๆหัดพิมพ์สัมผัสไปเรื่อยๆต่อไปพอมันเกิดความชำนาญขึ้นมามันไม่ต้องดูแป้นอนะ่ะมันวางนิ้วไว้แล้วก็พิมพ์ตามที่ต้องการได้กา ร, ราภาวนาเบื้องต้นก็ต้องคอยบังคับให้พุโทโธพุโทโธให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้สวดมนต์ให้เดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิแต่ต่อไปพอมันทำเป็นแล้วทีนี้มันจะทำได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเดินก็เดินได้อย่างรวดเร็วสบายไม่ต้องมาคอยลากคอยดึงเวลานั่งก็ไม่สับประงกไม่ง่วงนอนอไม่ขี้เกียจ การปฏิบัติมันจะคืบหน้าของมันไปเองถ้าเราคอยผลักมันคอยบังคับมันให้มันปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปทีละก้าวตอนต้นก็เดินแค่ก้าวเดียวก่อนต่อไปก็เอาสองก้าวต่อไปก้าวสามก้าวสี่ก้าวเบื้องต้นนั่งได้ห้านาทีก็ห้านาทีก่อนเดี๋ยวต่อไปเพิ่มเป็นหกนาทีเป็นเจ็ดนาทีเป็นแปดนาที เพิ่มไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็นั่งได้นานได้ยาวเองอันนี้เป็นขั้นตอนของการที่เราจะเข้าหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราขั้นตอนที่เราจะได้เลิกพึ่งร่างกายเพราะการพึ่งร่างกายนี้มันทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราเครียดกันเวลาที่ มีเหตุการณ์ที่จะมากระทบกับความเป็นความตายของร่างกายมันจะทำให้เรานี้ไม่สามารถมีความสุขกันได้แต่ถ้าเราไม่พึ่งร่างกายตอนนี้มีโรคหวัดก็เรื่องของโรคหวัดไปร่างกายจะติดก็เรื่องของร่างกายไปเราก็พุโทโธของเราไปเราก็นั่งสมาธิไปนอนสมาธิก็ได้ถ้าชำนาญแล้วนอนก็ได้ถ้ามีสติ ด, ดีๆแล้วนอนก็ได้ นอนสมาธิถ้าเดินไม่ได้ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเดินไม่ได้ยืนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงก็นอนสมาธิไปก็ได้จิตจะไม่เดือดร้อนจิตจะมีความสุขตลอดเวลาเหมือนตอนที่ร่างกายสุขสบายเพราะจิตไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปหาความสุขต่างๆจิตรู้จักวิธีเข้าหาความสุข ที่มีอยู่ในตัวของจิตเองคือความสงบความสงบที่จิตจะได้จากการเจริญสติเจริญกรรมฐานนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของความสงบคือเป็นความเป็นความสงบแบบชั่วคราวเวลามีสติคุมจิตให้เข้าให้หยุดคิดได้จิตก็จะสงบพอกำลังของสติอ่อนลงความคิดก็จะกลับคืนมาใหม่ จิตก็จะออกจากสมาธิพอออกจากสมาธิพอไปสัมผัสไปได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆจิตก็เริ่มวุ่นวายขึ้นมาได้เวลาอยู่ในสมาธิสบายลืมเรื่องโลกไขวัดไปพอออกจากสมาธิมามือบอลอดไม่ได้อยากจะติดตามข่าวอา้วติดตามข่าวพออ่านข่าวโอ้ยระบาดขึ้นเป็นหมื่นแล้วนะโอทีนี่เครียดใหญ่แล้วอิ ทีนี้วิธีที่จะแก้ปัญหามือบอลก็คือต้องใช้ปัญญามาตัดมือให้มือที่มันบอลเนี่ยคือความอยากรู้อยากเห็นอยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆเอาปัญญามาสอนใจว่าเรื่องราวต่างๆที่เราติดตามนี้มันเป็นเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของร่างกายมันก็อนิจจงทุกขังอนัตตา เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะติดตามหรือไม่ติดตามมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมถ้าถ้าเราทุกข์ทุกขก็เพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องดูความจริงว่าเราห้ามมันได้ไหมเราเป็นเจ้านายมันหรือเปล่าเราสั่งให้ร่างกายไม่แก่ได้หรือเปล่าใส่ให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หร <ste ff uta> <it> ือเปล่าสั่งให้มันไม่ตายได้หรือเปล่า ถ้าสั่งไม่ได้แล้วไปอยากทำไมอยากให้เราอยากให้ใจเครียดไปทาไมความเครียดของใจนี้เกิดจากความอยากพออยากแล้วไม่ได้ในสิ่งที่อยากก็เครียดขึ้นมาเท่านั้นเองก็ต้องดูความจริงถึงจะทำให้หยุดความอยากได้หยุดความเครียดได้พอพิจารณาความจริงของร่างกายพระพุทธเจ้าก็สอนมาทุกวันบอกให้เราเลิกว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา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 ถ้าไม่คิดเดี๋ยวลืมแล้วพอลืมปั๊บก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาอแต่พอคิดอยู่เรื่อยๆนี้มันก็จะตามความอยากได้อยากไปทํำไมอยากแล้วมันไม่ได้นะอยากไปทำไมอยากให้เครียดไปเปล่าๆมันอยากทัวรอัตอรี่รายงวันที่หนึ่งเราอยากนะ ถ้าเราอยากมันก็เครียดทุกงวดน่ะแต่พอเรารู้ว่าโอกาสที่จะถูกรัตเตอรี่วันที่หนึ่งมันมันมันยากยิ่งกว่าอยากไม่ตายใช่ไหยซ้ําไปมันก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องอยากจะถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้เสียเวลามันก็ไม่เครียดกับการไม่ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันให้เราคิดว่าความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เหมือนกับความอยากถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งว่ามันเป็นไปไม่ได้ ความอยากถือว่าเตลิรางวัลที่หนึ่งมันยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะแม้อาจจะน้อยนิดหนึ่งในหนึ่งในล้านอย่างเงี้ยหนึ่งมันก็ยังมีโอกาสอยู่แต่โอกาสที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันศูนย์ในล้านมันไม่มีโอกาสเลยแล้วไปอยากมันทําไมเนี่ยเราต้องคิดด้วยปัญญาแล้วมันจะทําให้เราเลิกอยากในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เลิกอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตาย แล้วมันจะทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาไหนๆกูจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกูจะไปกลัวมันทำไมกูสู้กับมันต้อนรับมันเิญเลยมึงอยากจะแก่แก่ไปเลยมึงอยากจะเจ็บเจ็บไปเลยมึงอยากจะตายก็ตายไปเลยแล้วไอ้ทิ้งที่ไอ้ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราด้วย ต้งพิจารณาข้อที่สามคืออนัตตาเนี่ยร่างกายนี้เป็นอนิจจังแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำนํำนมไฟเป็นตุ ก, กตาที่ทํามาจากดินน้ําหนมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะกลับคืนสู่ดินน้ําหนมไฟไปเราที่หวาดกลัวนี้เป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายอันนี้เท่านั้นมาขี่มันเหมือนมาเหมือนกับคนขี่มา้าคนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนละคนกันคนขี่ม้าก็รู้ว่าตอนเองไม่ได้เป็นมา้าเวลาม้าเป็นอะไรคนขี่ม้าก็ไม่เดือดร้อนแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนขี่ร่างกายเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเสียเองเนี่ยจึงทําให้เราเครียดกันแล้ว เราก็ไปยึดไปติดไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขด้วยมันก็เลยเครียดสองสองชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งก็คืออาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขชั้นที่สองไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราด้วย อ, อมันก็ยิ่งทําให้เครียดสองชั้นขึ้นมาแต่พอพระพุทธเจ้าได้พอได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าร่างกายมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศัยมันเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดังนั้นเบื้องต้นก่อนที่เราจะปล่อยร่างกายได้เราต้องมีวิธีหาความสุขแบบใหม่ก่อนถ้าเรายังไม่มีความสุขจากการทําใจให้สงบนี่เราจะปล่อยร่างกายไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่ามัน จะทำให้เราเครียดมันจะทำให้เราทุกข์ก็ตามแต่ตอนนี้เรายังต้องอาศัยมันอยู่ถ้าเราไม่มีความสงบแต่พอเรามีความสงบแล้วเราเลิกใช้ร่างกายได้เลิกอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้พอรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยได้ปล่อยให้มันแก่ได้เพราะเราไม่เดือดร้อนแล้วเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันจะตาย มันไม่สามารถพาเราไปหาความสุขได้เราก็มีความสุขจากความสงบอยู่แล้วเราก็จะปล่อยได้ปล่อยความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วยิ่งรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเราไม่ได้ตายไปกับมันยิ่งสบายอกสบายใจขึ้นใหญ่ยิ่งปล่อยได้อย่างสบายเราต้องพิจารณาตายลักของร่างกายร่างกายไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนแปลงคำว่าไม่เที่ยงคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่แนละ้ววันที่หนึ่งกับวันที่สองก็ไม่เหมือนกันแนละ้ววันที่สามวันที่สี่ร่างกายก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็โตจนถึงวนะัยชราเนี่ยพอเราเข้าสู่วัยชราทีนี้ก็เริ่มมีปัญหานะแล้วเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาลุมเล้าร่างกายนะ แล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปนี่คืออนิจจังความไม่เที่ยงของร่างกายไม่มีใครไปห้ามมันได้ไม่มีใครไปหยุดมันได้คนที่ไปอยากให้มันไม่เที่ยงก็เพราะว่ายังอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองแต่พอรู้จักวิธีหาความสุขแบบใหม่คือความสุขที่ได้จากความสงบก็จะสามารถ ปล่อยวางร่างกายได้นี่แหละทาไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนการปฏิบัติแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือสมถะภาวนาทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขก่อนแล้วถึงไปขั้นที่สองขั้นปัญญาเพื่อไปปล่อยวางร่างกายทีมไปไปปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจไปยึดไปติดไปอาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเอง ถ้าไม่มีขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สองปล่อยไม่ได้รู้ว่ามันไม่เที่ยงก็ยังอยากให้มันเที่ยงอยู่รู้ว่ามันจะต้องแก่ก็อยากให้มันไม่แก่อยู่เพราะยังต้องอาศัยมันเพราะเวลาแก่แล้วมันทำอะไรไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้เวลาจะตายนี่ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็เลยเครียดกันเนี่ยตอนนี้อยากไม่ให้เจ็บไข้จากโรคภยัยโรคหวัดเนี่ยตอนนี้ก็เครียดกันทั่วทั่วโลกเลยอย่าว่าแต่ทั่วประเทศทุกประเทศเดี๋ยวนี้เครียดกันเรื่องโรคหวัดกันทุกคนเพราะไม่อยากให้ร่างกายมันเป็นไม่อยากให้ร่างกายมันตายเพราะคิดว่าร่างกายตายแล้วตัวเองจะตายไปกับมันด้วยแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายครั้นที่มาศึกษาตายรักนี่รู้แค่นี้ก็ แต่ไม่ทุกข์ไม่เครียดกับความเป็นความตายของร่างกายรู้ว่าตัวเองไม่ได้ตายไปกับร่างกายและรู้ว่าตัวเองไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะสามารถหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้จากการเจริญสติพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่ง่ายได้การหาความสุขในตัวเรานี้ง่ายยิ่งกว่าการหาเงินทอง หาความสุขผ่านทางร่างกายต้องไปเรียนหนังสือกันกี่ปีกว่าจะได้ปริญญาเพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ซื้อความสุขต่างๆมาเสพผ่านทางร่างกายทางธรรมนี่มันง่ายเหลือเกินเพียงแต่รู้จักกรรมฐานรู้จักวิธีเจริญสติรู้จักพุทโธพุทโธ ร, รู้จักนั่งดูลมหายใจเข้าออก เดี๋ยวก็ได้ละเดี๋ยวก็ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละคือโชคดีของพวกเราที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอคนที่ฉลาดคนที่รู้จักวิธีที่จะมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ความเครียดของพวกเราด้วยการสอนให้พวกเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกาย เพราะมันจะทำให้เราเครียดเนี่ยให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบการตอนก็สงบแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วพอได้ความสงบแบบชั่วคราวแล้วก็มาทำแบบถาวรด้วยการเลิกพึ่งร่างกายอย่างถาวรตัดความอยากที่จะไปพึ่งร่างกายอย่างถาวรเพราะมีความสุขแบบใหม่ที่ดีกว่า ความสุขแบบเก่าจากที่ได้จากทางร่างกายนี้มันมันเป็นทุกข์เพราะมันมีปัญหาเยอะแต่ความสุขแบบใหม่นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาพอเราทําขั้นที่หนึ่งได้เราก็จะไปขั้นขั้นที่สองได้ไปพิจารณาตายรักไปปล่อยวางร่างกายได้อย่างท้าวอนพอปล่อยได้แล้วทีนี้ใจก็จะไม่ ต้องมาทุกกับร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอีกต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเรียกว่าบร ม, มสุขระมังสุขขังนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมในช่วงที่มีวิกฤตทางด้านโรคระบาดเราสามารถใช้วิกฤตนี้มาเป็นโอกาสได้ เพราะถ้าไม่มีวิกฤตเราก็อาจจะไปเที่ยวกันแต่พอมีวิกฤตไปไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนไปวัดดีกว่าไปวัดไปฟังธรรมไปศึกษาวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เครียดกับวิกฤตของโรคระบาดนี่นี่แหละคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อไม่ได้ไปเที่ยวก็ไปวัดหรืออยู่บ้านฟังเทศฟังธรรมฝึกสมาธิทาใจให้สงบกัน จเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางร่างกายให้ได้แล้วจิตของเราจะไม่เครียดกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะปุราปาริปุเรติสากหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปฏิอิท an ิตังปฏทิตังต um ุมหังคิปเมวะสมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา ฉันโตปะนาฬโสยทามณิชติระโสยทาสัะพีติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโขวินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทนาสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตรารูธรรมวัทฐานติอายุวันโอสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย พอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกสะดวกในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o ห้าร้อยแปดสิบหกยทูสี่ร้อยสสิบสองวิดีออนไลน์สิบสามผู้รับฟังบนนี้หกสิบสองรวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามท่านค่ะวันนี้ YouTube ขึ้นเยอะนะสี่ร้อยกว่า กม็มีคําถามไหยกาบนามัสการพราชานะคะเ อ, อ่หนูมีคําถามว่าเวลาที่ถ้าเรานั่งภาวนาค่ะแล้วความรู้สึกอยากจะกินน้ําลายอย่างเงี้ยค่ะมันมาเรื่อยๆ๋ยวไปสนใจมันปนละ่อยให้มันไหลออกมามันไม่ไหลหรอกพอเราไปคิดถึงมันมันก็ยิ่งจะไหลใหญ่รู้สึกคอแห้งค่ะอม ไม่เป็นไรถ้าเวลานั่งแล้วมีอาการอะไรต่างๆอย่าไปสนใจพยายามท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดวนไปก่อนก็ได้ถ้าดูลมแล้วมันยังดูไม่ได้หรือพุโทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปภายในใจก่อนเพราะใจเรายังค่อนข้างที่จะคิดมากอยู่มันก็เลยทำให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา แล้วเวลาเราเอ็งไปข้างหน้าเราไม่ต้องดึงตัวกลับใช่ไหมคะไม่ต้องหรอกถ้าเรานั่งแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายเหมือนมันต้องเริ่มใหม่ทุกทีเวลาที่เรากินน้าลายครับเอ็งตัวกลับอมันกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะอมันก็จะไม่ผ่านทุกทีมันก็มาติดตรงนี้ย้อนหน้าไปสองเก้าวก็ถอยหลังกลับมาตั้งหลักใหม่คมันจะเอ็นบ้างเอียงบ้างก็ช่างมันมันจะรู้สึกน้ําลายจะไหลก็ั่งเรื่องของมันถ้าเราไม่ไปสนใจเดี๋ยวเราก็ลืม แล้วมันก็ไม่ไหลถ้ามันไหลก็ไปมันไหลไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเช็ดมันก็ได้มันไม่ไหลหรอกมันเป็นแต่ความรู้สึกบางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาอย่าไปสนใจนะแล้วอีกข้อนะคะพระอาจารย์ตอนเวลาที่เรามีความทุกข์ก็ค่ะมันจะเหมือนผักดันให้เราอ่ะอยากนั่งภาวนามากๆอะคะแต่พอเราปฏิบัติไปสักพักพอเราเริ่มมีอุเบกขาทั้งในเรื่องสุขและทุกข์เหมือนเราวางเฉยอย่างเงี้ยค่ะ ความทุกข์มันก็น้อยลงอ่ะค่ะแต่มันก็เหมือนทําให้แรงผลักดันที่ทําให้เราปฏิบัติภาวนามันก็น้อยลงไปด้วยเงี้ยค่ะเราจะมีอุบายหรือคิดยังไงดีคะให้เรากลับมาขยันแบบภาวนาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะประคิดว่าถ้าไม่ภาวนาเดี๋ยวทุกข์ก็จะกลับมาที่มันน้อยลงเพราะตอนนี้เราภาวนาอยู่นี่เราต้องพยายามรักษาระดับภาวนาของเราไว้แทนที่ใช่มันน้อยลงควรจะทําให้มันมากขึ้นเพื่อความทุกข์จะได้น้อยลงไป ทุกน้อยเพราะการภาวนาของเราพอเราเลิกภาวนาหรือภาวนาน้อยเดี๋ยวทุกก็จะเพิ่มมากขึ้นใช้เหตุผลมันก็จะทำให้เราไม่กล้าขี้เกียจมันก็จะทำให้เรา เ, เราต้องขยันอย่างน้อยเราต้องรักษาระดับเดิมของเราไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับไปทุกแบบเมื่อก่อนนี้อีกต้องคิดถึงผลที่จะตามมาถ้าเราไม่ได้ภาวนา ใจเราจะร้อนมากขึ้นจะทุกข์มากขึ้นงั้นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราอย่าถอยกลับไปอย่างน้อยถ้ายัางคืบคืบไปข้างหน้าไม่ได้ก็รักษาระดับเดิมไว้ก่อนค่ะเคยภาวนาเท่าไหร่ก็ภาวนาไปเท่านั้นไปก่อนแล้วถ้าอยากจะต่อไปมันก็จะอยากเพิ่มมากขึ้นเพราะมันเริ่มชินกับอสภาพเดิมอยู่มันก็อยากจะให้มันดีขึ้นกว่าเก่ามันก็จะ ภาวนาเพิ่มมากขึ้นไปเอง่ค่ะเอออ่ากลับไปหาลูกไปในลูกไปแล้วอ่ายังอยู่เลยอ่าอ่ฟังต่อถ้าอยากจะฟังต่อก็ฟังได้ถ้าอยากจะถามก็เข้ามาถามได้อ่าอยากจะถามคมถามหรือเปล่า เข้ามาเอาไมโครโฟนไหมพระอาจารย์ครับทุกวันนี้คนส่วนใหญ่อยติดเทคโนโลยีจะมีทางออกอย่างไรเพื่อใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ติดให้น้อยลงด้วยเลยครับก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยที่นี่เราก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะแต่ใช้เพื่อเป้าหมายที่ต่างกันเป้าหมายทางโลกมักจะ ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะทําให้ติดมากขึ้นทุกข์มากขึ้นต่อไปต้องดูผลกระทบที่จะตามมา <c oughs> อย่างเทคโนโลยีเป็นเหมือนเครื่องมือ <c oughs> เป็นเหมือนมีดถ้ารู้จักใช้มีดก็ทําประโยชน์ได้แต่เอาใช้มีดไปทำลายผู้อื่นก็เกิดโทษได้ดั <c oughs> <c oughs> งนั้นต้องดูผลจากการที่เราใช้ เทคโนโลยีว่าเราใช้เพื่ออะไรถ้าใช้เพื่อความสุขทางตาหูจมูกย้อกายนี้ก็เป็นเหมือนการเสพยาเสพติดนี่เพราะรูปเสียงกลิ่นลดว่าเราเสพแล้วมันจะติดแ้วเวลาที่เราไม่ได้เสพมันจะทำให้เราทุกข์เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำใจให้สงบดีกว่ายันอยู่บ้านตอนนี้เราก็เปิดฟังเทศฟังธรรมได้ฟังธรรมะดูธรรมะ แล้วก็ปฏิบัติธรรมจะดีกว่านะมีเท่านี้เหละข้ออีกข้อนะครับ อ, อยากจะให้ท่านขยายความเรื่องของกรรมที่ทุกคนมีแล้วก็เป็นไปตามกรรมที่ตัวเองทำ อ, อ๋อคือคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็จะทำบุญบ้างทำบาบ้างบุญก็จะส่งผลกระทบที่ดีให้กับจิตใจกับร่างกายบาปก็จะทำสงปต ส่งผลกระทบให้กับร่างกายจิตใจในทางไม่ดีแต่ผลทางร่างกายนี้มันจะช้ากว่าผลทางจิตใจผลทางจิตใจนี้เกิดขึ้นทันทีเราทำบุญเกิดความสุขใจอิ่มใจเราทำบาปเกิดความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาแต่ผลทางร่างกายนี้ชาตินี้อาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะรอไปชาติหน้าไปเกิดได้ร่างกายที่พิกลพิการถ้าทาบาปเนี่ย ได้ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าทำบุญก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายสวยงามเนี่ยอันนี้เป็นผลทางร่างกายที่ช้ากว่าทางจิตใจเนีย่ยเราต้องรู้จักแยกแยะไม่งั้นเราจะไม่เชื่อในเรื่องของกรรมทำดีแล้วเราก็ยังเหมือนเดิมทางร่างกายยังเหมือนเดิมอยู่ โรคภัยไข้เจ็บไม่หายฮะอันนี้มันเป็นผลของของของกรรมเก่ากรรมใหม่ที่เราทํานี้ต้องรอไปพบหน้าชาติหน้าเวลาไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะได้ร่างกายที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเรื่องผลของกรรมคนเราเกิดมาจริงไม่เหมือนกันไงบางคนเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน บางคนพีกคนพีการบางคนอายุสั้นบางคนอายุยาวบางคนมีรูปร่างสวยงามผิวพรรณผ่ผองใสบางคนมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งามไม่ผิวพรรณไม่ผ่องใสเอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากกรรมเก่าที่มาทาที่ทำมาในชาติก่อนมาส่งผลในชาตินี้กรรมที่เราทำในชาตินี้ก็จะรอไปส่งผลในชาติหน้าต่อไป แต่ที่ส่งผลทันทีก็ทางจิตใจทำให้จิตใจเราเย็นสบายถ้าเราทำความดีทาบุญถ้าเราทำบาปก็จะทำให้จิตใจเราร้อนเราทุกข์เนี่ยผลทางจิตใจเกิดขึ้นทันทีแต่ผลทางร่างกายนี้ต้องรอรอไปดูร่างกายอันใหม่น ะ, ะถามต่ อ, อพระอาจารย์ค่ะ ถ้าการทาบุญแบบสร้างสร้างตักสิ่งต่างๆทางศาสนานะคะกับใช้เงินเป็นหมื่นเลยกับทาบุญไถ่ชีวิตสัตว์ที่ใช้เงินน้อยกว่าแต่เราทาไมเรารู้สึกว่าเราอิ่มใจกับเรื่องช่วยชีวิตหรืออย่างนี้มากกว่าเพร <อ S 1> าเราเห็นเราเห็นผลเราเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการทำทำบุญช่วยเหลือชีวิตเพราะว่าเราก็มีชีวิต เราก็เปรียบเทียบได้ว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วเราเขาได้รับการช่วยเหลือเราจะรู้สึกอย่างไรมันก็เลยทําให้เกิดมีความรู้สึกตอบสนองทันทีส่วนการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆนี้บางทีเราไม่เข้าใจว่าสร้างไปทําไมได้ประโยชน์อะไรได้ผลอะไระได้ช่วยเหลือทําให้คนหรือสัตว์มีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรก็เราก็เลยอาจจะทําให้เรา ไม่มีความรู้สึกต่อการที่เราสร้างถาววและวัตถเราต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วแบบไหนได้บุญกุศลมากกว่ากันหรอคะคือบุญถ้าเกิดจากการเสียสละทรัพสมบัติเงินทองนี้ได้เท่ากันเสียแสนหนึ่งไปช่วยชีวิตผัวควายเสียแสนไปสร้างพระพุทธรูปนี่บุญที่เราได้จากการเสียสละเท่ากันแต่ความรู้สึกอาจจะไม่เท่ากัน เพราะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าการมีพระพุทธรูปนี้มีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้าเราเข้าใจเราอาจจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับเราได้ช่วยไถยวัวไถควายก็ได้ถ้าเราคิดว่าการมีพระพุทธรูปนี้จะทำให้คนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจะได้เริ่มรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเขาเริ่มรู้จักเขาอาจจะเริ่มอยากจะศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าต่อไป อย่ฝรั่งบางทีก็เห็นพระพุทธรูปก่อนเขาไม่ได้อ่านน้เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าแต่พอเขาเห็นพระพุทธรูปแล้วเขาอาจจะเกิดความสนใจทําไมพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าถึงไปมีคนกราบละกราบไหว้บูชาเคารพมากมายก็อยากจะทําให้เขาอยากจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเการสร้างพระพุทธรูปนี้เพื่อให้ดึงให้คนเข้าหาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้คนต่อไปจะได้รับประโยชน์จากเข้าถึงพระธรรมคําสอนตอนต้งก็ศึกษาทำประวัติของพระเจ้าศึกษ า, กษาคําสอนนล้วพอสนใจก็เอาไปปฏิบัติเพราะปฏิบัติที่นี้ก็จะได้รับประโยชน์ที่ได้มากกว่าการทําบุญทำทานขายวัวไถ่ชีวิตของคนนั้นคนนี้เพราะจะได้ความสุขที่ระดับสูงกว่า ระดับที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยดังนั้นเราควรที่จะศึกษาถึงผลก่อนที่เราจะทำเลยคะ่ะใช่ทุกอย่างเราจะทำแล้วก็ต้องศึกษาก่อนทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากการกระทาอันนี้ดีหรือไม่ดีมันก็ทุกอย่างมีมีมีผลของมันแต่บางทีเราไม่ได้ศึกษาผลเราก็เลยไม่เห็นว่า ทำไปแล้วได้อะไรก็จะได้แค่การเสียสละไปโดยไม่ได้เก่งข้อย่างน้อยเราเสียสละเราไม่เสียดายเงินทองอันนี้ไปเราก็ได้ความสบายใจว่าเรามีความสุขเราได้ทำคุณทำประโยชน์ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างเพราะของบางอย่างมันเหนือความสามารถถึงเราถ้าเราไม่ศึกษาถ้าไม่ถาม แต่โดยทั่วไปถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ทำตามที่เราเห็นว่ามันทำให้เรามีความสุขไปแต่ประโยชน์มันอาจจะน้อยกว่าช่วยชีวิตวัวควายมันก็ไม่ได้ไปทำให้เกิดการศึกษาเกิดการปฏิบัติธรรมขึ้นมาแต่ถ้าไปสร้างพระพุทธรูปสร้างสถานที่ปฏิบัติสร้างวัดนี้ก็จะมีที่ไปศึกษาไปปฏิบัติได้เดี๋ยวเข้ามาส่งไมโครโฟนหน่อย แต่การสร้างบางอย่างมันก็อาจจะหวือหวาเกินไปอันนี้ก็ต้องดูประโยชน์บางทีไม่จำเป็นจะต้องใช้ทองคาอะไรอย่างี้แต่บางทีคนเขารวยเขาก็เขาอยากจะเสียเงินเยอะๆเขาก็ใช้ทองคาไปก็ปล่อยเขาทำไปตามกำลังของของเขาเราไม่ต้องไปเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างเขาอย่างนะเราก็ทำตามํำกำลังของเรา ถ้าเราสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคาไม่ได้ก็เอาทองเหลืองทองแดงไปก่อนก็ได้ตามกําลังของเราไปครับนมัสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะคื อ, อ, อในการปฏิบัติอะคะ่ะใกล้ๆหน่อยให้พูดเสียงดังหน่อยในการปฏิบตัติจะได้แต่ความสงบเป็นสมถะอะคะ่ะอยากจะทราบ ว, ว่าต้องพิจารณาอะไรต่อไปถึงจะเป็นวิปัสสนาหรือว่าอยู่แต่กับความสงบเจ้าค่ะ อพอได้ความสงบแล้วถ้าอยากจะได้ความสงบที่ยาวนานก็ต้องไปพิจารณาตายรักที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เราไม่สงบถ้าเราไม่สงบกับร่างกายวุ่นวายกังวลกับเรื่องของร่างกายเราก็ต้องไปพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นตายรักณมันไม่เที่ยง เ, เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายที่เราวุ่นวายเพราะเราไม่อยากให้มันตายแต่พอเราพิจารณาความจริงเห็นว่ามันต้องตาย อจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยากแล้ทุกข์ถ้าไม่อยากแล้ไม่ทุกข์ก็อยากก็เราก็จะไม่อยากเราก็จะหายทุกข์อันนี้ก็ขั้นวิปัสสนาอคําถามที่สองคะเจ้าค่ะคือถ้าเราเออ่นั่งสมาธิไปแล้วก็เหมือนจิตมันดับบูบลงไปเจ้าค่ะ แล้วมันมันหายไปเลยมันไม่ไม่มีความรู้สึกนะึกคิดว่าว่ามีจิตอยู่แล้วทีนี้เราก็กลัวว่ามันมันจะแบบตายอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ตายหรอกถ้าเรามีสติรู้อยู่ไม่ไม่ตายหรอกแต่พอเร า, <c oughs> เ, ราเราทําความรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกแบบหอบแล้วก็เหมือนแบบมันมันมันจะเป็นลมใช่ปะถ้ามันมีอาการทางร่างกายแล้วว่าก็อาจจะต้องมาดูแลทางร่างกายไป บอนทีร่างกายเรามีโรคประจำตัวหรืออะไรนี่มันเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องดูแลร่างกายไปมันไม่เกี่ยวกับการดูแลจิตใจถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องนั่งไปเรื่อยๆใช่ไหมจ้ะค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่ามันตกไปอะไรเงี้ยออคือจิตถ้ามันตกตกแบบมีสติ ก, ก็ดีแตเพราะเราต้องการให้มันนิ่งไง ถ้าจมจิตมันตกจากที่สูงลงมาแล้วสงบมันนิ่งแล้วเรายังมีสติรู้ตัวอยู่ก็ก็ให้รู้ไปเฉยๆมันไม่น่าจะมีอาการอย่างอื่นมาแทรกซ้อนถ้าเป็นความสงบจริงแต่ถ้าแบบนี้มันมันไม่รู้สึกว่าว่ามีจิตอยู่นี่ต้องทำยังไงเจ้าค่ะก็แสดงว่ามันหลับมไม่รู้สึกอะไรเลยก็หลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินถ้านั่งแบบนี้แล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจเจริญสติแก้ ง, ง่วงไปก่อนอ มันเคยอ่านในหนังสือมันไม่ได้เกี่ยวกับพรมลูกฟักใช่ไหมจัะรวาคงไม่ใช่แลอวมั้งคงไม่ใช่แล้ ว, ลวนะค่ะโอเคครับขอบพระคุณจักรวะอาจารย์คะจิตเรามีหลายดวงไหมคะมีดวงเดียวแต่มันมันเล่นตัวเล่นละครเก่งมันแสดงมายาได้เดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนร้ายเดี๋ยวก็คุยกับตัวเอง <regression>. <S <S ตัวเดียวกันนะมันเหมือ น, นคนแต่งนิยายคนเดียวคนแต่งนิยายแต่แต่งเป็นเรื่องของหลายคนได้เพราะบางทีเกิดดับเกิดดับหลายเรื่องในขณะเดียวกันเรื่องคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่อะไรจะมากระทบมามากระตุ้นให้มันคิดมันปรุงแต่งไปบางทีได้กลิ่นก็มันก็ปรุงแต่งไปแล้วบางทีได้ยินเสียงชนิดหนึ่งก็ปรุงแต่งไปแล้วบางทีอยู่เฉยๆมีอารมณ์ผุดขึ้นมาก็ปรุงแต่งไป เพราะจิตนั้นไม่นิ่งมันจะทำอย่างนี้ไปเรื่อย mm. ๆแต่พอเรามาทำจิตให้นิ่งแล้วอาการปรุงแต่งหลอกลวงเหล่านี้มันจะหายไปมันจะรู้เฉยๆมันจะว่างเหมือนจอหนังที่ว่างไม่มีภาพมาหลอกล้ว ถ, ถ้ามีสติมีจิตมีอุเบกขาแล้วมันจะสักแต่ว่าเฉยๆไปเห mm. ็นพยายามฝึกสติพยายามนั่งสมาธิถ้ามีอะไรก็รู้ว่านี่เป็นเรื่องเรื่องอาการของจิตเรื่องมายาของจิต จมันชอบคิดตรุงแต่งชอบแสดงบทนั้นบทนี้แล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็แสดงบทดีอารมณ์ร้ายก็แสดงบทร้ายขึ้นมาให้รู้ทันแล้วปล่อยวางอย่าไปทำตามมันจะคุณจิรโดดการคลี่สัญญาทางปฏิบัติต้องทำอย่างไรครับ ไม่รู้เหมือนกันนะสัญญาอ๋อสัญญาความจําคือสัญญานี้มันเป็นอนิจจานัตตาเราไปขี้ไปสั่งมันไม่ได้เรารู้ทันมันได้มันไปสัญญาไปจําว่าอนั่นอันนี้เป็นเราเป็นของเราก็บอกว่าไม่ใช่ใช้ปัญญามาแก้ได้ขี้สัญญาด้วยปัญญาพอไปจําว่านั่นเป็นนิจจังสุขขังอัตตก็มาขี้มันด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการ ตอนต้นคิดว่าทำสัญญาค้าขายที่ไหนให้เรามาขี้ยังไง <laughs> คุณพิทักษ์หากผลของการให้ทานคือการมีทรัพย์สินเงินทองถ้าเราไม่ได้สละข้าวของเงินทองแต่ใช้แรงกายในการช่วยเหลือในการทำความดีเช่นช่วยเหลือพระในการรับอาหารช่วยท่านจากบินทบาทผลบุญที่เราจะได้คืออย่างไรครับ ก็เหมือนกับการเสียเงินทองไปก็ได้ความสุขความสุขใจเหมือนกันแต่อันนี้สองในพบหน้าชาติหน้าจะไม่เหมือนกันถ้าเราบริจาคเงินทองเราก็จะได้เงินทองกลับมาถ้าเราบริจาคแรงกายชาติหน้าก็จะมีคนมาช่วยเรามามาทำงานช่วยเราทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมาคุณกระต่าย ดิฉันพยายามทำทานด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งใจทำทุกครั้งที่มีโอกาสรู้สึกก้าวหน้าเรื่องการทำทานแต่กลับถอยหลังเรื่องศีลเรื่องนั่งสมาธิทั้งที่เมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมนั่งเลยรู้สึกว่าตัวเองถอยหลังไม่เหมือนเดิมแต่ใจก็พยายามท่องพุทโธและตัวนี้แหละค่ะกิเลสหลอกเราหรือเปล่าคะว่า <c oughs> กิเลสหลอกเราหรือเปล่าคะว่าการเจริญสติแบบนี้ก็เหมือนนั่งสมาธิแล้วและคิดหลอกเราตัวเราเองหรือเปล่าคะดิฉันรู้สึกมันผิดขั้นตอนอย่างไรไม่รู้แต่จะให้นั่งไปก็มีข้ออ้างก็ไม่ยอมเมื่อก่อนไม่ค่อยท่องพุโทโธแต่นั่งสมาธิแต่เดี๋ยวนี้เวลาว่างหันมาท่องพุโทโธแต่กลับไม่ยอมนั่งสมาธิ ควรทำอย่างไรก่อนดีคะตอนนี้เหมือนหลงทางคะ่ะพระอาจารยออ์ถ้าต้องการท่องพุโทโธไปก่อนก็ได้ไม่เสียหายตรงไหนท <c oughs> ่องไปแล้วเดี๋ยวพอใจรู้สึกเบาเย็นก็ลองนั่งหลับตาดูลมต่อไป <c oughs> เบื้องต้นก็ต้องมีสติก่อนต้องมีพุโทโธก่อน <c oughs> ถ้ามีพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นใจเริ่มเบาเริ่มเย็นเดี๋ยวก็อยากจะนั่งเองถ้า <c oughs> ยังไม่อยากนั่งก็แสดงว่าสติยังมีกาลังไม่พอ ก็พยายามพ่องพุโทโธไปให้มากๆอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วเดี๋ยวพอใจไม่ได้คิดแล้วคิดน้อยลงไปมันก็จะทำให้เบาสบายแล้วก็อยากจะนั่งต่อไปคุณกุ้ง เวลาหนูไปไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์หรือรูปเหมือนของพระอรหรันต์น้ําตาจะไหลตลอดเป็นสิ่งที่ต้องกังวลไหมคะเกิดขึ้นมานานแล้วคะ่ะอ๋อไม่หรอกมันเป็นเรื่องของความประทับใจของเราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเราได้ไปพบสัมผัสกับสิ่งที่ประทับใจเราเราก็มีน้ําตาออกมาอันนี้ไม่ได้เป็นน้ําตาที่ออกจากความทุกข์ใจหรือออกจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลง ถ้าไม่อยากให้มันไหลก็สั่งให้มันหยุดได้ด้วยการพบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอเริ่มจะไหลก็พุทโธพุทโธไปให้กําลังจะไหลแล้วก็หยุดมันได้พอเราปล่อยใจให้ไหลไปกับอารมณ์พอได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ให้เกิดอารมณ์นี้สิ่งที่ทําให้เกิดอารมณ์นี้เราก็ปล่อยให้มันไหลไปถ้าเราต้องการหายุดเราก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธไป แน้าตาที่จะไหลก็จะหยุดไหลได้พระอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าเรารู้ทันแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องพุทธโธได้ก็ดีแสดงว่าเรามีสติมีกําลังมากพอถ้าสั่งมันหยุดได้ก็ไม่ต้องใช้พุทธโธถ้าสั่งไม่ได้ก็ต้องใช้พุทธโธขึ้นมาช่วยอืขอบพระคุณค่ะจากคุณวัชรา มีคนฝากซื้อปลาที่ตลาดเพื่อไปทำอาหารเราเป็นคนรับฝากซื้อจะเป็นบาปไหมคะถ้าซื้อของตายไม่บาปนะถ้าไปซื้อของเป็นบาปนะเรไปช่วยช่วยให้เขาได้ฆ่าปลาทําลายชีวิตเนี่ยเาบอกเขาว่าถ้าให้ไปซื้อปลาก็ซื้อปล า, าตายไนดะ้แต่ถ้าปลาเป็นบอกไม่ขอซื้อให้เพราะว่าไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการฆ่าปลาตัวนั้นคุณสิทธวัดป่า ภัยพิบัติและภัยพิบัติแต่ละตัวที่เกิดขึ้นเช่นโรคระบาดน้ำท่วมใหญ่ซีนามิเราจะใช้หลักธรรมอันเดียวกันในการรับมือใช่หรือไม่ครับใช่ทุกอย่างอนนีจัห่ายถงผลที่เกิดกับร่างกายก็คือต้องแก่ต้องเจ็บด้วยต้องตายไปไม่มีภัยก็ต้องก็แก่เจ็บตายเหมือนกันอยู่ดีถ้าเราเห็นตายรักแล้วเราก็จะปลงจะวางได้ แล้วภยต่างๆก็จะไม่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราคุณสุดทางรักถ้ามีคนหมู่มากจะจับปิดเราโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเราจะทําอย่างไรดีครับเป็นทุกข์มากครับ อ, อ๋อมองว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ จิตใจของเขาเราไปสั่งให้อย่ามาจับผิดเราเมื่อสั่งไม่ได้ก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศไปสั่งให้ฝนไม่ตกไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาตกไปฝนอยากจะตกก็ตกไปเขาอยากจะเพ่งความผิดก็ปล่อยให้เขาเพ่งไปขอให้เรา ด, ดูตัวเราก็แล้วกันถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวถ้าเราผิดแล้วก็มาแก้ไขเสียพิกวิกฤจเป็นโอกาสคนที่เขาเพ่งโทษเรา ก็อาจจะเป็นการเตือนเราให้มาดูตัวเราว่าเรามีผิดจริงหรือไม่เพราะเราผิดจริงเราก็จะได้มาแก้ไขเสียคนจะขอบคุณเขาเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะความผิดของเรามันจะทําให้เราเสียหายแต่พอเราไปแก้ความผิดได้มันก็เหมือนกับแก้ความเสียหายมันก็เหมือนกับได้ทรัพย์มาะ คุณกับสิ่งที่เหลืออยู่เป็นไปได้ไหมครับที่คารวาสจะบรรลุพระโสดาบันและถ้าเป็นไปได้มีหลักปฏิบัติอย่างไรครับคือการบรรลุนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระหรือเป็นคารวาสเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นผู้คองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เพราะจิตใจนี้เหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าจิตใจมีมากหรือเปล่าคือมีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่า ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบร้อยก็สามารถบรรลุอริยามรรคอริยผลได้จากผู้ไม่ประสองค์ออกนามถ้าเราติดฟังเทศฟังธรรมทุกวันดีหรือไม่เจ้าคะเพราะทุกวันพอเวลาบ่ายสองลูกจะต้องมานั่งฟังและฝึกนั่งสมาธิตามหลวงพ่อสั่งสอนเจ้าค่าความดีในปัจจุบันสามารถที่จะลดกรรมในอดีตได้บ้างหรือไม่คะงานติดธรรมนี่ไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์เนี่ย เห็นฟังเทศฟังธรรมได้แต่ต้องพัฒนาต่อท่านเองถ้าเอาแต่ฟังอย่างเดียวไม่นำเอาไปปฏิบัติก็ถือว่ า, าได้ได้ประโยชน์ไม่ไม่มากพอการฟังธรรมนี้ฟังเพื่อให้เราได้ศึกษาได้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติต่อแล้วเราก็จะได้ก้าวหน้าขึ้นไปการติดฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่เสียหายแต่อย่างใด ิดดูละครนี่เสียหายเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดแต่ติดฟังธรรมนี่เหมือนติดยารักษาโรคใจถ้าใจ ย, ยังไม่หายจากโรคใจต้องฟังธรรมไปเรื่อยๆคุณทีคาธนะการที่เราเห็นจิตปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราก็เข้าไปเห็นว่าเขาปรุงเราก็เฉยๆว่าเป็นธรรมดาของจิตบางครั้งก็ใช้พุทโธเพื่อรู้แบบนี้ถือว่าเราได้สติไปด้วยไหมเจ้าคะ ถ้าเราเห็นความคิดปรุงแต่งก็แสดงว่าเรามีสติแล้วละทีว่าอยู่ที่ว่าเราหยุดมันได้หรือเปล่าเพราะความคิดปรุงแต่งบางอย่างมันจะให้เราไปทำบาปทำไม่ดีเราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าหยุดมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็พาเราไปทาในสิ่งที่ไม่ดีได้ยังั้นเบื้องต้นต้องมีสติรู้เห็นมันเห็นว่ามันกำลังคิดอะไร แล้วเมื่อมันคิดแล้วมันคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดดีก็ปล่อยให้มันทําไปเลยเช่นคิดจะไปทําบุญก็ไปเลยแต่ถ้าคิดจะไปกินเหล้าก็ต้องหยุดมันคุณหมอกวันผมภาวนาไม่ได้นานชอบฟุ้งซ่านเอาบ้างมากครับแม้ขนาดบังคับจิตใจมันก็ฟุ้งซ่านมีวิธีไหนพอจะทําให้ใจสงบได้ง่ายขึ้นมากไหมครับก็ต้องมันฝึกสติก่อนที่จะมานั่งนั่นเองะ สติเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีสติมันก็นั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านนั่งไม่ได้นานยังต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งเพราะตอนฝึกสตินี้ไม่ต้องอยู่ในท่านั่งก็ได้ทําอะไรก็ใช้พุโทโธไปท่องพุโทโธได้ก็ท่องพุโทโธถ้าไม่ต้องใช้ความคิดในการทํางานถ้าใช้ความคิดในการทงานก็ต้องหยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวคุณชุติมาศ ถ้าเรารู้ว่าตัวเองกำลังกังวลเรื่องโรคโควิด -19 มากจนเกินไปเราควรทำใจและทำตัวอย่างไรให้มีความสุขขึ้นมาได้บ้างคะเบื้องต้นก็ต้องหยุดความคิดนี้ให้ได้ดึงมันมาคิดทางการสวดมนต์แทนสวนดอิทิปิโสไปหรือฟังเทศฟังธรรมไปมันก็จะดึงใจให้ออกจากความคิดเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บได้ทุกครั้งที่มันกลับไปคิดก็ต้องดึงมันออกมา ดยการท่องพุโทโธด้วยการสวมดมนต์ไปหรือถ้าเรามีปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องโครคภัยค่เจ็บเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาต้องเจอกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยหนีมันไม่พ้นกินอย่างนี้แล้วใจก็จะป่องได้วางได้ยอมรับกับความจริง คุณเบญจวรรณหนูมีความทุกข์ใจมากทั้งรักทั้งโกรธพ่อที่พ่อไปมีครอบครัวใหม่ทุกครั้งที่หนูนั่งภาวนาจิตหนูจะคิดถึงเรื่องนี้หนูไม่สงบเลยหนูจะต้องทำอย่างไรถึงจะเลิกทุกข์ใจและสามารถนั่งภาวนาได้โดยที่จิตไม่คิดถึงเรื่องนี้เจ้าค ะ, ะในเบื้องต้นถ้าคิดก็ลองใช้พุทโธหยุดความคิดเหล่านั้น แล้วพอหยุดได้นะก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าพ่อก็เป็นเหมือนกันดินฟ้าอากาศเนีเราไปสั่งไม่ได้สั่งให้พ่อมีครอบครัวเดียวไม่ได้พ่อเขาอยากจะมีหลายบ้านก็ห้ามเขาไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเขาก็ยังเป็นพ่อเราอยู่เขาจะมีกี่บ้านเขาก็เป็นพ่อเราอยู่ปัญหาคือเราหวงพ่อไม่อยากจะให้เขาไปมีลูกคนอื่นอยากจะให้เขาเป็นพ่อเราคนเดียวเ อันนี้ก็เป็นกิเลสของเราเราก็ต้องปองต้องวางว่าเรื่องของพ่อนี่เราไปสั่งเขาไม่ได้เราจึงทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นตามที่เราต้องการพอเขาไม่เป็นเลยทำให้เราทุกข์พอเรารู้ว่าเราทำให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่เราก็ยังรักยังเคารพเขาอยู่เพราะเขาก็ยังเป็นพ่อเราอยู่นั่นเอง คุณตายถ้าเราเคยดื้อทำกรรมไว้ตอนที่เป็นวัยรุ่นเราไม่ได้ตั้งใจทําจะบาปมากไหมคะถ้าทํามันก็ตั้งใจแล้วมันใช่ไม่ว่าไม่ตั้งใจได้ยังไงก็ถ้าถ้าดื้อมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ยากลาบากคนสอนจะไม่อยากจะฟังคําสอนของคนอื่นก็จะพัฒนาตัวเราเองไม่ได้เพราะเรายังไม่มีความรู้มากพอที่จะพัฒนาตัวเราเองได้เอง เราต้องอาศัยคําสั่งคําสอนของผู้ผู้ที่เขารู้มากกว่าเรามันก็เป็นการปิดกั้นการพัฒนาของเราเท่านั้นเองเรื่องเราต้องหัดเปลี่ยนใจของเราให้มาเป็นคนว่านอนสอนง่ายแต่ก็ไม่ได้เชื่อแบบงมงายเชื่อโดยเหตุด้วยผลสิ่งที่เขาพูดถ้าเขาพูดแล้วเรามาพิจารณาว่าดีมีคุณมีประโยชน์เราก็ทําไปถ้าเรายังไม่สามารถเห็นว่ามันมีคุณมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็รอไว้ก่อน นองไปถามผู้รู้ผู้อื่นดูก่อนว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรล้วค่อยทําตา ม, ามต่อไปคณตามสุดท้ายน ะ, ค, ะคุณวีรพงศ์ฆ่ามดโดยไม่ตั้งใจบาปมากไหมครับเพราะรู้สึกว่ารักษาศีลไม่บริสุทธิอ์อ๋อถ้าไม่มีเจตนาถ้ามองไม่เห็นเดินไปเหยียบมันอย่างนี้ก็ไม่บาปนะแต่ถ้ามีมสติ ก, ก็ดีมันจะได้ให้เรามีความเมตตา เราจะได้ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นได้แต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆมองไม่เห็นตั้งใจแล้วแต่มองไม่เห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนัตตาไปเป็นเรื่องของสุดวิสัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเขากับเราเราก็อาจจะถูกใครทำร้ายเราโดยที่เขาไม่มีเจตนาก็ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติของโลกนี้ที่จะต้องมีเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยตาม เกิดขึ้นเราก็จะถ้าทําใจยอมรับกับความความจริงเวลามันเกิดขึ้นเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ